ไม่ได้มานานเลยนะนานแล้วครับเขาสุดท้ายนี่ปุ๊พ่อบอกว่าให้พี่เขาหาคนเลี้ยงอี้ตอนนี้หาได้แล้วครับเขาก่อนก่อนอาชีพครับพี่มีที่หนาอาี่เปเราเทนเนอรเออที่พามาหาความเข้าหาจากปุ๊พ่อครับ ก็ตัดไปทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งตอนนี้ภาระที่หนักที่สุดก็คือการดูแลน้าก็หาคนมาดูแลได้ก็มีเวลาภาวนามากขึ้นนะครับน้าที่เป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็จะมากราบและลงพ่อต่อครับเพราะว่าตอนนี้พี่เขาก็มีกําลังใจในการภาวนาตอนเย็นได้แล้วตอนเย็นทำวัดสดโมเดินจงกรมภาวนาได้แต่กลางวันเนี่ยครับยังบกพร่องยังละเลยออยู่จะทําไงให้เห้าวหาญเพิ่มไหมครับอยู่คนเดียวเหรอแม่วัยมั้ง ม <c oughs> สำน้าสองคนค่ะแล้วก็น้องสาวคนที่สามคนค่ะแล้วก็นิชช่างเดกมานคนเดมันมีอุปสภาษาอะไรที่ทําไม่ได้ที่ทําให้ทําไม่ได้คื อ, อนะ้าเขาจะพูดตลอดเวลาแล้วเขาต้องคือเขาจะมีโทรศัพท์ตลอดอะคะ่ะแล้วก็ภาวนากับกับเสียงไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะบางครั้งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอก็คือความสงบอาจจะน้อยไป ห, หน่อย ช่วงแรกๆก็ยังยังไม่ได้กินพอค่ะแต่ก็พยายามอยู่ะคะแล้วเราไม่ต้องทำงานนะไม่ต้องทำลค่ะเราได้ยืมมาแล้วก็ียแล้วครับเสียแล้วเดี๋ยวดูแลนะแต่นอนนี้ก็มีคนมาช่วยขึ้นได้มาค่ะไม่ต้องกระทบตรงและแล้วที่อยู่นี่อยู่ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ีค่ะเป็นเ้าะค่ะอ๋อมันก็แยกกันลาบาก ก็จะกลางคืนเราก็ขึ้นไปข้างบนได้ก็จะสงบหน่อยอืมคือถ้าอยากจะภาวนาะมันก็ต้องเป็นที่ที่ไม่มีใครมารบกวนสมมติถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันถ้ามีห้องที่เราจะเข้าไปได้แล้วเราก็ขังตัวเราเองอยู่ในห้องนะั้นอาจจะออกมาเป็นเวลาเวลาเป็นตามเวลาที่ควรต้องออกมาเวลาไหนที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็แล้วก็เข้าไปที่ห้องของเรา แล้วก็ต้องบังคับตัวเราเองคือว่าไม่ให้ออกจากห้องนี้อย่างน้อยก็ต้องต้องมีมีกรอบอเช่นพอเข้าห้องนี้แล้วก็ไม่ไม่รับรู้เรื่องข้างนอกนะ่ะแล้วถ้าอยากจะให้มันแน่นกว่า น, นั้นก็พอเข้าห้องแล้วก็นั่งหาที่นั่งสบายสบายแล้วก็บอกนั่งตรงนี้นะไม่ต้องทำอะไรงานของเราคือการนั่งคือไม่ให้ทำอะไร ยกเว้นถ้าอยากจะเข้าห้องน้ําก็เข้าไปได้ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำก็นั่งเนี้ยแล้วบังคับให้มันนั่งให้ได้มันอยากจะลุกก็ไม่ลุกแล้วก็หาวิธีที่ทําให้ใจมันไม่หอุดหตัดไม่ไม่ฟุ้งก็อาจจะต้องนั่งไปพุโทโธไปบ้างสวดมนต์ไปภายในใจบ้างอันนี้ถ้าถ้าอยู่ในขั้นปฏิบัตินี้ก็ยังไม่อยากให้ใช้ ของภายนอกเช่นหนังสือหรือซีดีอะไรเลยคือให้เอาเอาสติปัญญาเอาอะไรธรรมะที่มีที่เราควรจะผลิตขึ้น ม, มาภายในใจนี้มาสู้กับกิเลยเพราะปกติกิเลยเนี่ยมันจะไม่ชอบอยู่เฉยเฉยมันชอบชอบลุกไปนู่นนุกมานี่ทํำนู่นทํา น, น, านี่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรจิตมันก็ไม่เคยพบกับความสงบนี่เราต้องการที่จะบีบมัน ให้มันอยู่ในกรอบแคบเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นเข้าไปในห้องในห้องต่อไปก็ให้มันอยู่จุดเดียวนั่งเลยถ้านั่งนานๆมันเมื่อยอยากจะลุกขึ้นก็ได้ก็ยืนใค่ยืนตรงนั้นเนี่ยยืนจกว่าจะหา้หายเมื่อยก็นั่งใหม่ห้องสะดวกครับเพราะว่าพี่ก็ออกแบบบ้านใหม่เดินจบกลมได้เลยในหน้องเลยครับอือคือถ้าไม่อยากจะคือถ้าอยากจะบางคับไม่ให้มันเดินไม่ให้ให้มันอยู่จุดเดียวก็อยากไปเดินก่อน ถ้ามันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนดีเสรยืนเสร็จพาหายม่อยก็นั่งระหว่างยีนก็นั่งก็พยายามใช้สติควบคุมใจจะยืนแล้วก็พุทโธพุทโธไปอรือจะใช้ปัญญาก็ได้ปัญญาก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเช่นร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มันประกอบด้วยอะไรมีอะไรก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกท่องดูอาการสารที่สองไป หรือว่ามันมันเป็นตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปเวลามันตายไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันถ้าม่ไจะเห็นชัดๆว่า อ, อมันก็แค่ดินน้ำลมใสใช่ไหมนีน้ำเนี่ยเราดืนเข้าไปก็น้ำลมที่เราหายใจก็ลมสองส่วนจะเห็นชัดๆนะส่วนนิสัก็ดินดินงาข้าวที่เรากินเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ดิน ี่ดินกับน้ํากับลมมาผสมกันก็ทําให้เกิดไฟขึ้นมาใช่ไหมปฏิปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของ ป, ปฏิกิริยาของธาตุทั้งสีเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาแปลงให้เป็นอาการต่างๆแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บถ้าไม่กินข้าวแม่หายใจไม่ดื่มน้ํามันจะมันจะยมันจะโตขึ้นมาได้ไหมถ้าออกมาจากท้องแม่เนี่ย มันก็ต้องมาสายท่าสีเนี่ยมาเป็นเป็นเหมือนกับเป็นวัตถุดิบร่างกายนี่เป็นเหมือนโรงงานโรงงานที่ขยายตัวของมันเองอจากจากก้อนเล็กๆที่อยู่ในท้องแมนะ่แล้วก็เขาขยายตัวไปเรื่อยถ้ามีวัตถุดิบป้ามันเข้าไปแล้วมันมีทั้งอินพุตมีทั้งเอาพุตจะมีวัตถุดิบเข้าแล้วก็มีวัตถุดิบออกของเก่าของเสียมันก็ขับถ่ายออกไปของที่มันไม่ต้องใช้ของที่มันมาทดแทนของเก่าคือ เราอาหารเข้าไปเนี่ยมันไปนทดแทนธาตุเก่าที่มันเสียและวใช่ไหมธาตุเก่าก็ถูกขับออกมาเป็นน้ําปัสสาวะเป็นอุจจาระอะไรอย่างนีน้ดูให้มันเห็นว่ามันเป็นเพียงระบบของดินน้ําลมใสแล้วลองไล่หาดู ว, ว่าตัวเราอยู่ในส่วนไหนบ้างมีมีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าอยู่ที่เล็บหรือเปล่าเล็บเวลาตัดไปแล้วมันถ้าเป็นเราเราหายไปกับเล็บแล้วเหร ถ้าเป็นผมเราตัดผมทิ้งไปแล้วมันก็เราหายไปกับผมด้วยปล่แล้วมันดูไปมันแล้วมันก็จะเห็นว่ามันทั้งร่างกายนี้หาไปไนก็ไม่มีตัวเราหาตัวเราที่ จ, จริงๆไม่เจอไม่มีเราไปเราไปเราไปว่ามันเป็นตัวเราเองครับเราแล้วพูดที่ตัวว่าคืออะไรทางศาสนาเขาบอกว่าเพื่อใจใจใจคือผู้รู้ผู้คิดคิดว่าอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่พอได้อันนี้มาก็ถึงก็คิดว่าเป็นของเราเ เพราเป็นของเรามันก็หว่วงนะใค ร, ค ร, ครเอาไปก็โกรธ <c oughs> เสียใจร้องโหยร้องไห้ที่ต้องให้สอนใ ห, ให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราใครเอาไปก็ให้เข้าไปเราไม่ได้เสียของที่เสียนี่ไม่ใช่ของเราในร่างกายนี่ตายไปเราก็ไม่ได้เสียใจเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราเข้ า, ขาใจถึงความจริง น, นี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปกลัวความตาย ไม่ไม่ไปกลัวความเสียของร่างกายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราเพียงแต่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่หรืออาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมื อ, อตอบสนองปัญหาความอยากของเราเราอยากดูเราก็ต้องมีตาเราอยากฟังก็ต้องมีหูนะถ้าเราเรารู้ว่าการเพื่องร่างกายนี้ทำให้เราเป็นเหมือนธาตเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเราก็อย่าไปเพื่อมันดีกว่า ทีท่ไม่พึ่งมันก็ต้องมีที่พึ่องอื่นทดแทนที่พึ่องอื่นทดแทนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะไม่รู้ว่าคืออะไร <Okay. S 1> พระพเจ้าบอกที่ที่พึ่งทดแทนก็คือความสงบทําใจให้สงบแล้วใจจะสบายมีความสุขใจจะไม่ต้องไปครึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขคนที่ได้สมาธิแล้วจะไม่ต้องจะไม่อยากดูหนังฟังเพลงจะไม่อยากจะไปกินไปเด่นไปอะไร ได้กินกันดื่มก็เพื่อร่างกายเนทะ่านั้นแต่ไม่ได้กินดืมเพื่อเป็นความสุขอย่างที่พวกเราทํากันพวกเรามันทําทั้งสองอย่างกินเพื่อร่างกายด้วยแล้วกินเพื่อเปสุอออ่พืความสุขด้วยต้องกินต้องกินอาหารที่ถูกปากดื่มเครื่องดื่มต้องถูกใจถ้าไปดื่มไปกินของที่ไม่ถูกใจถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายก็ไม่ไม่อยากกินแสดงว่าเรามันทําไม่ได้ทำแต่เฉพาะเพื่อร่างกายอย่างเดียว เราทำเพื่อตันหาความอยากเรื่อยถ้าเราทำเพื่อตันหาความอยากมันก็ต้องพึ่งร่างกายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ต้องไปพึ่งถ้าเราไม่มีความอยากเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้หรือว่าร่างกายมันมันกินไม่ได้มันดูไม่ได้ฟังไม่ได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้มันมาให้ผลิตความสุขให้กับเรา <ingo. S 1> เรามีวิธีผลิตความสุขอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็คือการนั่งเฉยๆทำใจให้สงบนี่ก็คือพูดถึงเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องหยุดใจให้ได้ให้มันสงบให้ได้จะหยุดใจให้ได้ก็ต้องหยุดกายก่อนใช่ไหมเพราะกายมันเป็นเครื่องมือของใจถ้ากายเคลื่อนไหวก็แสดงว่าใจมันเคลื่อนไหวอยู่ แสดงว่ายังยังให้หลบการกระทบตรงกับอี้อยู่ให้หลบหาที่ห้องอยู่เป็นโลกองตัวเองให้ได้ก่ได้ทำใจเข้าข้างในได้ไงว่าไปออกไปข้างนอกไปรอบรู้จิตมันก็ปุ่งพุ่งขมันก็ร้อนขึ้นมาเอองั้นถ้าเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครก็เตกวิเวกม่อยู่คนเดียวไม่คุกคีกันไม่พอคุกคีกันเนี่ยมันกระทบกระทั่งกันแล้วก็เกิดความคิดตุงแต่งเกิดอารมณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมา ดัง้นต้องพยายามปลีกตัวเองออกจากคนให้ได้ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันก็ต้องมีมีที่หลบ ท, ที่จะพกเข้าไปในห้องของเราแล้วล็วลวลอกก็ถังตัวเองจนกว่าจะถึงเวลาต้องออกมาค่อยออกมาอยู่ในนั้นก็อยู่ยังไงทำให้มันอยู่ได้ก็ต้องทําให้มันสงบถ้าทําสงบแล้วมันจะสบายมันจะไม่อยากจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ถ้ามันไม่สงบ ตั้ความอยากที่มันเคยอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังมันจะทําให้อยูไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันหงดหยีขึ้นมาอันเนี้ยมันนี่คือข้อค่าสุกคู่ต่อสู้ของเราก็คือการมั่ังหาหรือเขาเรียกว่าการมันฉันทะความอยากในรู้เสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เี่นหนึ่งในนิวรห้านิวรก็คือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้เข้าสู่ความสงบ เราต้องทำลายมันตแนี้ด้วยการใช้เอ็นซีสังวรหสำนวนมตาหูจมูกนิ้นกายไม่ดูไม่ฟังสิ่งตา่างๆแล้วใช้สติดึกมันไว้อย่าให้มันออกไปถ้ามีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นวันได้แล้วถ้ามันไม่คิดเข้าใจก็ว่างเย็นสบายก็จะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆนิสายีความสุด เพรนั้นต้องต้องต้องสร้างมาตรการควบคุมบังครับําจัดจํา ก, กัดสถานที่ต้องมีที่เ ข, <c oughs> ข้าไปเก็บตัวและเป็นที่ขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลสเรา <c oughs> อย่าไปสู้กับคนอื่นชนะคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันคนก็สู้ชนะกิเลสของเราไม่ได้ทีนี้ชนะกิเลสใจสงบมีความสุขชนะคนอื่นใจเราวุ่นมาเสียใจไปหลังว่าไปทาร ก, กับแม่ไปทารกส่าย เพื่อเอาเพื่อจะเอาผิดเอาถูกกันแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงก็มาเสียใจภายหลังอย่างเขาไม่ว่าเขาเลือกชนะเขาแล้วก็ร้องไห้ก็เสียใจเราก็มาเสียใจทีหลังนี่งั้นเรายอมแพ้ดีกว่าเขาอยากจะชนะก็อยากจะทําอะไรได้ก็ทําไปชีวิตของเขาเรื่องของเขาเขาอยากจะกระโดดติดตายก็ให้เขากระโดดไปเราไม่ได้ไปสั่งเราไม่ได้ไปสั่งให้เขากระโดดไงใช่ไหม มันต้องอย่างนั้นโหต้องข้าหารขนาดนั้นเลยนะครับไม่เห็นต้องเข้าวสารเนราไม่ได้ทํำเราเป็นดีอยู่เฉยเราอยากเรายอมทุกอย่างเขาอยากจะทําอะไรก็ไปเขาทำเลยคือยอมสลับทุกอย่างไม่มีตัวเราว่างนั้นเลยยอมแพ้เขาอยากจะว่าไงอยากจะทําอะไรก็ทําเลยสิบางทีเราไปเที่ยวเข่งเงินไปเที่ยวเข่งเงินมาไอเขาทําอย่างนู้นทํานี้เขาไม่อยากทําำก็อยากได้ก็ทา เขาก็ไม่ทำเขาไม่ทำแล้วก็เครียดเสียใจนะเราทำเบสิหน้าที่พื้นฐานพอให้มีปัจจัยสี่ให้เขามีปัจจัยสี่ส่วนยังเขาจะทำไงกับชีวิตของเขามันเรื่องของเขาพอเราเตรียมข้าวแล้วกินเสร็จไม่มีหน้าที่อะไรก็บายยนะขอเข้าห้องแล้วอะไรอ ในลกิเลสมันจะไม่ยอมไม่เข้าเดี๋ยวให้ไปเปิดทีวีดูไปเปิดนั่นนั่นฟังนั้นนี่หาอะไรกินหาอะไรเนื้อบางทีก็มีกิเลสอีเขากลืนนิ่งสงบสงบเหมือนเขาแบบมีทุกข์เราก็อยากจะเขาไปให้เขามีความสุขเนี่ยครับแต่ทําผิดที่ผิดท่ากลับมาเจ็บตัวอย่างนี้ถ้าเขาไม่ขอร้องก็ไม่ต้องไปทํำเลย <laughs> อย่าไปก้ากลาลกับชีวิตเขาดีกว่าให้เขายื่นข้อเสนอมามาก่อนแล้วเราดูว่า ม, มีมันถูกผิดยังไงถ้าไม่มีไม่มีความเสียหายไม่ถูกสินผิดธรรมก็ตอบสนองเขาไป อ, อถ้ามันไม่ควรก็อย่าไปเหมือนเด็กเลี้ยงเด็กเด็กจะเอานู่นเอานี่ถ้ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะให้ก็อย่าไปทําให้เขาหรือย่าทาให้เขาเสียนิสัยได้เอาเรื่องของกิเลสเราสําคัญที่สุดเข้าไปจัดการแล้วเ ร, เรากลับไปอยู่คนเดียวไปต่อสู้กับกิเลสของเราดีกว่า ท่านแล้วต้อกาเอาเกิเรที่มันฟุ้งนี้ให้มันหยุดให้มันสงบให้ได้ให้มันหยุดความพิดิตุงแต่งให้ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้สวดมนก็ได้ใช้พิจารณาร่างกายก็ได้อันนี้มันก็จะทำให้ใจไม่ฟุ้งได้ทำให้มันจะน่นั่งนั่งเฉยๆแล้วจิตรวมมาได้ก็ยิ่งสบายอยานั่งจิตรวมไปถับปน า, านาได้ทงนี้ก็มีความสุบสบาย ส่นใหญเวลานั่งนะค่ะลมจะแบบค้ายาวมากเนี่ยตอนนี้มันเหมือนจะมันจะเข้าผัววังอะค่ะส่วนใหญ่ก็กำลังหลับใช่ไหมใช่กำลังหลับไม่ใช่ผัววังหรือไม่ใช่เลยสมาธิแต่บางครั้งมันก็จะแยกไม่ออกเหมือนกันนะคะสองสออย่างเนี่ยค่ะเวลาบางครั้งถ้าเราหลับนี่มันออกมามันจะเหนื่อยมันจะเคลียร์แต่ถ้าช่วงที่เราหลับ ถ้ามันเป็นสมาธินี่มันมันเหมือนกับมันจะสบายมันมันอัศจรรย์ใจมันไม่หลับมันไม่ทักยาวทักยังไงแต่ยังไงตรงนั้นต้องรู้ตัวตลอดรู้ตัวตลอดแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ถ้ารู้ตัวแสดงว่าผิดหลับหลับอาจจะหลับสนิทแล้วมันก็ออกตื่นขึ้นมาก็สดชื่นได้อช่ไหมแต่ไอหลับแบบที่แบบผวางสมาธินี่มันเหมือนอัศจรรย์มหัศจรรย์เหมือนกับ เหมือนกับเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตมันมันมันมันก็ต้องไม่เหมือนกันอ่ะมันจะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ล้ว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วถ้ามันเป็นบ้างเปล่าแบบไม่รู้เหมือนกับไม่รู้ตัวอะไรแต่มันเป็นทุกๆจากเวลาได้ทุกๆครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นสภาพอย่างนั้นอันนั้นเป็นพวังหรือเป็นสมาธิหรือเป็นหลับคะมันต้องรู้ตลอดเวลาเหมือนเราลูกคุยกันนี้ เราคยกันอนี้มันเหมือนเรานั่งสมาธิแต่แป๊บเดียมันก็ครึ่งชั่วโมงแปบเดียวมันก็ครึ่งชั่วโมงแต่เราก็่าเราเราก็ไม่มีตัวพูดรู้แต่มันก็เหมือนกับเรารู้ว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้นะคะมันฟังนั่งอยู่ถ้าร่างมันจะหลับมากกว่าผมไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจก็ที่ว่ามันจะน่าน่าจะเป็นหลับถ้ามันแน่ใจมันจะไม่หลับมันจะรู้ตลอดเวลา หรือว่าตอนนี้ห ย, หยุดหยุดสงบแล้วจิตรวมแล้วจิตไม่พูดไม่อะไรแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้มันเหมือนมีความสุขอ่อนๆโชยอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันมีไม่ใช่ อ, อ่ อ, อนๆแตะความสุขใหญ่ๆเลยแต่เราก็จะไม่ง่วงเพราะมันจะทุกครึ่งชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงจะรู้ตัวขึ้นมาทุกครึ่งชั่วโมงรถกแจ้ก็ไม่เคยไม่ง่วงเลยจะว่าหลักสันดิเราก็ทําไมไม่สังบไม่อะไรนะคะอันนี้คนผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้พิจารณาการทิฏฐิโกแล้วเพราะว่า จ็ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะจิตให้เป็นสมาธิจริงๆเราก็ที่ออกมาคือแม้กระทั่งเราพอตื่นอยู่ก็สามารถเป็นสมาธิได้เช่นความสุขที่อยู่ข้างในรับขึ้นมาที่บอกว่าสุขจิงเนอะสุขจริงเนาสุขที่ยังไม่เคยสุขมาก่อนช่เอามาสุขนั้นก็ยังค้างอยู่เหมือนกับน้ําที่เราไปแช่ในตู้เย็นเวลาเอามาใหม่ๆน้ําก็ยังเย็นอยู่ แต่ถ้าเอามานานๆเข้าไม่เยอมันจะหายไปได้เพราะเราเริ่มคิดปรุงแต่งเราเริ่มเกิดกิเลสความอยากขึ้นมามันก็จะทำให้จิตที่เย็นนั้นเริ่มน้อนขึ้นมาจิตที่นิ่งเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาเนืนองถ้าเราอยากจะให้มันเย็นเหมือนเดิมก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่ขั้นตอนแรกจริงต้องเข้าเข้าสมาธิบ่อยๆแล้วเวลาออกจากสมาธิถ้าอยากจะใช้เวลาที่ออกจากสมาธิ ให้เป็นประโยชน์คือได้รักษาความสุขที่เราได้จากสมาธิเราก็ต้องเจริญปัญญาเราต้องพิจารณาร่างกายพิจารณา <c oughs> ตายรักพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเช่ <c oughs> นราบยศสลรเสริญ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ได้มาแล้ววันหนึ่งก็ต้องหมดไปเพื <c oughs> ่อให้เราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดมันจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลาที่มันเสือ่อมมันหมดไป เราจะไม่ได้ไม่ต้องมีความอยากที่อยากจะได้มากๆอยากจะรักษามันไว้มันจะเสื่อมว่าช่างมันมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราถ้าเราได้ความสุขจากจากสมาธิแล้วความสุขจากสมาธินี่เงินทองร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้เราก็จะเริ่มเบื่อหน่ายกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการมีทรัพย์มียศอะไรต่างๆเราก็อยากจะ อ, อยากจะรักษาใจให้มันสุขให้มันสงบใจที่มันไม่สงบก็เพราะเกิดความอยากความอยากเกิดจากการไม่มีปัญญาสอนใจไม่ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์เราไปหลงว่ามันเป็นสุขกันเราหลงทขี้ยได้เงินมาแล้วมีความสุขได้ยศมาแล้วมีความสุขเพราะเราไม่เห็นแต่ตอนที่ได้เราไม่เห็นตอนที่เสียทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วชั่วันหนึ่งก็ต้องเสียไป เพราะนี่มันเป็นเรื่องของอ น, นิจจังความความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงอย่าอันนี้จะมีขึ้นต้องมีลงเป็นธรรมดามีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดาเราไม่เห็นเวลามันจะดับเราไม่คิดถึงมันเราจะคิดแต่ตอนที่ได้ว่าจะพอได้มาแล้วโอ้ดีวิเศษจะได้อยู่กับมันไปตลอดแต่พอมันดับปั๊บจะร้องห่มร้องไห้ ได้ลูกมาดีออกดีใจเพอะลูกตายไปก็ร้องโหยร้องไห้เนี่ยมันต้องรู้ตั้งแต่พอตอนที่ได้มาแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องตายแล้วเนี่ยถึงยังเรื่องก็มีปัญญาเนี่มีปัญญาต้องเห็นความดับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาและมีอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้างที่มันไม่ดับร่างกายเรามันดับไม่ดับรับสมบัติเจ้าของเงินทองเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเราจะอยู่กับมันไปตลอดหรือเปล่าบุคคลต่างๆ บิดานาดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิตนิสัยจะอยู่ด้วยกันเป็นตลอดหรือเปล่าตองพิจารณาให้เห็นอนิจจังจะได้เห็นว่ามันทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับเขา<น>ถ้ารู้ว่าเป็น น, นิจจังก็จะได้ไม่ไปยึดติดกับเขารู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไปเก็บไว้เก็บไว้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราเพียงชั่วคราวหรือ ไ, ไปสั่งให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ สังให้ีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันลยอันยีเขากำลังเป็นไปตามเรื่องของเขาตามพิบกกัตกรรมแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นตามเราทําในส่วนที่ทําได้ส่วนที่ทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราก็ยังสุขสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่ทุกเพราะมันปล่อยมันไม่มันไม่มีความอยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริง ความจริงก็เป็นอย่างงี้งต้องอย่าไปเปลี่ยนแปลงความจริงให้ได้หลังใจเราคือ <นะ S 1> ปัญหาเลย เ, เขาเป็นมานาวอยากใช้ก็เป็นสัพพะโรดิๆๆ <c oughs> เขาเปแต่เปลี่ยนได้แต่เขาต้องเปลี่ยนเองอย่างเราอยากเราเราเป็นปุตุชนเราอยากเป็นพระอริยะเราเปลี่ยนได้แต่ความอยากของคนหรือมามาให้เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนนี่ทำไม่ได้ ตอนนี้เราเป็นบุตรชนเขาอยากให้เราเป็นท่เละยะนี้แล้วก็บอกคุณต้องทำนูน่นทำนี้เดี๋ย ว, ย ว, วคุณก็เกลียดตอนแรกก็กลัวยังอยากเป็นบุตรชนอยู่เนี่ยวัวยังไม่อยากบวชใช่ครับ <c oughs> แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเองแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเอง <c oughs> คุณเปลี่ยนได้อยู่ต้องออกมาจากความความรู้สึกนึกคิดของคุณเองเมื่อเช้าผมก็ตรอมกันว่าจริงๆเนี่ยไอ้ความที่น่ากลัวของการที่ยังมีความคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมากมายเลยให้เราต้องแสวงหาทูกมาใส่ตัวเอง ตรงนี้นเป็นภัยที่แบบหลายคนไม่มองไม่รู้จักมันการ น, นึงสอนให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราครับสพเทสะรรมานะสตามองว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบเะนนคุณสอนให้คุณทํามันดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายคุณตายไปมันก็ตายก็หมดไปเลี้ยงลูกให้ดีขนาดไหนเรียนจบเป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวมันก็ตายแบบนี้ไงเราก็ต้องตายจากมันไป แต่ไม่ให้ไม่ใช่ไม่ขอไม่ให้เลี้ยงนะก็เลี้ยงไปตามตามมีตามก <c oughs> ารเกิดตามเหตุตามปจัจจัยเขามีปัญญาที่จะไปจบดักเซอร์ได้ก็ส่งเข้าไปเรามีปัญญาส่งก็ส่งไปเราไม่มีปัญญาเขาก็ต้องหาเอง <c oughs> หาทุนของเขาเองไปก็เท่านั้นแต่เรามีทุนแต่ลูกเราไม่อยากจะเรียนไปบังคับไปเที่ยวเข็นมันมันก็ไม่เรียนอยู่ดีก็เป็นทั้งสอ <c oughs> <ผม S 1> งปัญหาเลยครับก็ไปทุกข์กับมันอยู่ดีนะฉะนั้นต้องดูเหตุดูปัจจัย ทุกความเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ทำไปสนับสนุนไปถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เนี่ยสัพเพธรรมานตานเป็นอย่างเงี้นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วใจเราจะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่มีความอยากใจก็จะสบา ย, บายใจก็จะสงบเหมือนอยู่ในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้ามีปัญญา ว่าถ้ามีปัญญาแท้แที่สงบอยู่ข้างนอกได้เลยใช่ไหมครับอแต่ตอนต้นต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานก่อนแล้วใช้ปัญญารักษาความสงบนั้นถ้ายังไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานใช้ปัญญานี่มันมันมันยังไม่เป็นปัญญาระะักษาสภาพไม่ได้มันไม่มีกําลังที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ถ้าได้ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิงั้นก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญญาอบรมสมาธินี่มันยากกว่าสติอบรมสมาธิ ถ้าติดมันง่ายเพียงแต่พูดโธคําเดียวแต่ปัญญานี้มันต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตอนนี้เราวุ่นกับอี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องเห็นอริยสัจสีว่าเนี่ยใจเราวุ่นเพราะความอยากสมุทัยก็คือต้นเหตุของความวุ่นแล้ววิธีที่จะระงับความวุ่นนี่ทําไงก็ต้องมองความจริงว่าอี้เขเป็นอนัสตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนการเราไปสั่งฝนฟ้าอากาศให้ตกตามเวลาได้ั้ม ไม่ได้ครับไม่ได้ไไดก็อี้ก็เป็นแบบค <c oughs> นฝ้าอากาศนั่นแหละเหมือนกันสัพเพธรรมานับตาเหมือนกันพอเห็นอนี้ก็จะได้ไม่ไปยุ่งไปจัดการเขาถ้าจะจัดการก็จัดการในส่วนที่จัดการได้เช่ <c oughs> นทําอาหารเตรียมให้เขากินซักเสื้อผ้าให้เขาอะไร <c oughs> ตร่างๆถึงคนดูแลแเขาสิ่งไหนทาได้ก็ทําไปแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ต้องต้องปล่อยเป็นไปตามเรื่องบุญกรรมเรื่องของ เ, อเหตุปัจจัยของเขา เราก็จะไม่วุ่นเพราะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็เราก็จะสงบอย่าง น, นี้ก็เรียกว่าปัญญาองรมสมาธิแต่มันสงบถ้าใช้ปัญญาองรมสมาธิมันก็จะสงบแค่ระดับขายฟุง้งท่านถ้าอยากจะให้มันลงเล็กเป็นอัปปนาสนี่มันก็ต้องใช้จิตจิตตัวสมาธิจริงๆหึงจิตให้มันรวมเข้าไปให้ได้พอจิตเป็นอัปปนาส์วิลาว์มาเนี่ยมันยังมีสภาพของอัปปนาอยู่คงอยู่ ตอนนี้เราก็ใช้ปัญญารักษาแับนี้อย่าให้มันออกจากอักปนญหามันจะออกอยาปัญหาต่อเมื่อมันอยากมีความอยากจริงเราไม่เรียกอักปัญหาแล้วก็ออกมาก็เริ่มที่จะเรียกอุปจารแล้วทีนี้เราก็ต้องรักษาให้มันอยู่ในอุปจาระอย่าให้มันออกไปแต่ความสงบก็ยังเกลืออยูอ่ก็อยู่นะมันจะละหายไปก็ต่อเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาเราเกิดตัณหาเมื่อเกิดความฟุ้งขึ้นนมะ แล้วนั่นต้องต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องรู้ทันว่าเนี่ยความอยากเป็นต้นเหตุของการทาลายความสุขอันนี้ถ้าเรายังอยากจะให้จิตสงบสุขเหมือกนกับตอนที่อยู่ในอัปปนาเราก็ต้องตัดความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นทันกับความอยากเหานั้นให้ได้กาอะไรนี่ต้องไม่ทําด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ต้องไม่ทําด้วยความอยากเช่จนจะดื่มก็ต้องดื่มตามเหตุผลถึงเวลาต้องดื่มนะ่าำกาลมันขาดน้ําถึงเวลาจะรับประทานก็ต้องรับประทานตามความ เหตุผลคือร่างกายขาดการอาหารถึงเวลาต้องกินแล้วไม่ใช่พออยากกินก็กินอยากจะดื่มก็ดื่มถ้าอย่างนี้มันก็จะไปทําลายความสุขทางใจแล้วมันก็จะมาอาศัยความสุขทางกายแทนก็จะกินอยู่เรื่อยๆดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่อิ่มไม่พออย่างที่เรากินกันดือมกันมาทุกวันนี้ใช่หไหมเราเราเราใช้ร่างกายใช้ความอยากสร้างความสุขให้กับเราแต่เราไม่รู้ว่าเป็นความสุขแบบยาเสพติด เราติดมันนะไม่ได้รติดติดลูกเสียงกินลูมไหมติดขนมนมเนยเครื่องเดินห น, าานักจังไหมทไมต้องทำไมต้องกินตลอดเวลาทำไมต้องเดินตลอดเวลาการน่งที่ร่างกายก็ไม่ต้องการร่างกายต้องพาเข้าไปหาหมออยู่ด้วยหมอก็บอกคุณกินมากคุณเดินมากเพราะคุณไม่ใช้ปัญญาไม่คณไม่มีสมาธิ มันก็เลยต้องอาศัยความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้งกายเแออใช่ครัแล้วอย่างการถ้าใช้สัญญาพิจารณาตลอดวันที่ได้ผลนั่นคือว่าตอนนี้ในเรื่องความอยากตกางมันลดน้อยลงแล้วก็ความอยากที่จะไปส่งสิ่งกับคนอื่นอะไรนันมันลดน้อยลงนะ อ, อกแด่แ ว, ว, ว่าเวลาตั้งใจจะภาวนาให้มันลงไปในสมสาธิมันทําไม่ได้เลยจิตมีกําลังน้อยไป แต่ว่าอย่างวันนั้นที่มานอนเมื่อวันศุกร์มาทางที่นี่ะครัมก็ความเพียงนี่ดีมากตออทั้งคืนเลยแต่ว่าก็เพราะว่ามันเป็นเพราะหลับหลับตื่นืนก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรทั้งทั้งที่ที่นอนก็สบายดีอากาศก็ดีแต่ก็หลับหลับตื่นตื่นพตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่มีสวรทัินาไม่มีอะไรเหมือนอยู่ที่บ้านมันก็ไม่มีอะไรทำมันก็นั่งภาวนาแล้วก็สลับกันไปสลับมาทั้งหลับหลับแล้วก็ตื่นกั่ภาวนาหลับตื่นแต่ภาวนาแต่ว่า มันไม่ลงปเป็นสงบมันมีเรื่องคือใจสติเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงมันมีเรื่องไม่ให้ใจออกไปอา่ามันไม่แทรกกับใจเราไปหามันเองอใจเราไปคิดถึงมันเองแต่<ม>แต่ที่เห็นผลเลยก็คือว่าการพิจารณาปัญญาให้แต่แต่มันไม่เป็นสมาธ <laughs> ิแต่ว่ามันมแต่ว่าความอยากอะไรต่างๆมันน้อยมันน้อยลงไปมันไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครเลยคือปัญญามันก็ช่วยได้ในระดับในระดับของปัญญานั้นแต่เราไม่ได้ช่วยลงในสมาธิได้ ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่แรงกว่านั้นเช่นไปเดินเดินเจอเสือแล้วก็ปกเลยใช้ปัญญาตายก็ตายวะช้างตายไม่ถึงเลลวลาถ้าต้องมันต้องมีเหตุการณ์ที่มันบังคับให้ลงมันถึงจะลงถ้าไม่มีเหตุการณ์ปกติมันไม่ลงอะตอนตอนแม่ก่อนที่จะมานอนก็คิ ด, ค, ดคิดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่เคยนอนในป่านะก็ ล, กลองอลองลุกขึ้นมาเดินในป่ากลางคืนกน็เดินเดิเดินไป ถ้าใช่ดีก็ไม่ต้องสายไฟเลยเด <c oughs> ินตรงทางตรงคม เ, เดินออกไปเนี่ยในป่านี่ใหญ่ลองแดินท่องเที่ยวดูกลางคืนดูตอนแรก <c oughs> คิดว่าตัวเองจะกลัวปรากฏว่ามันก็ไม่มันก็ไม่กลัวพอมาถึงจริงจมันก็ไม่กลัวพาคลิปถึงตนหลงตาเลยเท่หลเดี๋ยวตอนนี้ขอให้ชาวถังก็ยเท่ เ, เ, เทข้ามาหน่อยเลเข้ามาเลดี๋ยวก็อยากกระกลับก็เปิดทางให้เข้ามาหน่อยอเมนอเมนเฮ From Singapore. Yeah. Singapore. Yeah. So, uh, how long are you staying here this time? We oh, are leaving tomorrow. Tomorrow. y e s y e a s very short stay, just to drop by here. Where did you go? Um, yesterday, we went to w a t a m p a n e a n and w a t a s o a r a m So mm -hmm. today, this morning, we went to w a t In y o a what? In y w a t Now you are here. Yes. Yeah. And tomorrow you are leaving. Yes. Yeah. Mm -hmm. The purpose is just to visit temples. Yes. visit you. <laughs> <laughs> okay. e s And yes. make merit, make donation. Yes. Okay. Yeah. So how have you been? Okay. <laughs> how have you been? I'm good, thank you. Right. Mm -hmm. Well. Mm -hmm. Yeah. Have you ever got my my book in English yet? Yeah, we we were my here t h e l a s time. t Did you get the book? What my my way? My, yeah, it's from you. The yeah. last time w e we r e here, we got it from you. We have another one called Dhamma for the asking. Have you? No. No, no, This one have you got it? No. no. How many would you like to have? One, two, three. Yeah, take as much as you want. <laughs> mm -hmm. Thank you. Thank you. Mm -hmm. thank you. I have another one just printed, the uh, volume two. Okay. This is volume one. Oh, okay. Volume two is the I gave the m a p t o through the Skype oh, at h a t l e Oh, okay. h a It's about six six talk. Yes, so s yes. o I I have someone to go get it from there. That's it. Yes, I I attended one of the last talk. Oh, I you attended. were there. Yes, okay. yes. Okay, so you were very patient. Why? What patience? <laughs> We watch the YouTube i o w Yeah. What is that to be patient? <laughs> If you have no desire, then you don't. You you become very patient. Right. When when you are impatient because you have desire, you want things to be the way you want it to be. Right. So when it doesn't go according to your desire, you become impatient. See? But if you don't have any any desire, then you can take anything. You know, you, you can just sit down and let everything happen. You want to talk, you want to do something, go ahead, do it. You know. But if you want to control everything, you can become very impatient when when things don't go according to your plan, your desire. You know. Okay. If, if the things are uh, ed edible stuff, could you collect i you put it there. Okay. Because if I accept it now, some of them I will not be Give. able to to use because it's not the right time to c o e c t it. You want some more of the my way book? Can yeah. I have one? Because I gave my away. You can have more if you like. you have plenty. How, how many more would you like to have? Oh, that'd be good. Thank you. o h No, that's it. You want? Yeah, s r e This is n a t i o u l h h we t k two months to c o m p l e t Yeah, okay. Why don't you get it? Okay. okay. Is this is some of the c o l l e t e d o n a t i o n s for the printing of the book. Okay, fine. o a it here. Put it on the e n v e l e Yeah, just put it there. Yeah. Yeah. Yeah. And if you want to listen to my talk in Thai, this is the collection of last year's talk. In Thai, k n o w English. Knowing <laughs> English. My my o u k o a t a l d What is this? m a e s s e s e m e s s n e Right. Put in, put in. t in h e t o Put in the top. Okay. Thank you. Yeah. So I think we w o t take a time. Okay. Thank m o u เดี๋ยวจะให้พอนกันนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเถปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโชยะทามณิโชติ ขรโสยะาสัพภิตโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง We'll be happy. See the back here. This is the the the flyer that they have oh. about the Dhamma Talk at w a Palila. i a h e a n n o u n c e m e n t y o u can have more if you like. a yeah, uh, As much as you want. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Sorry to keep you wait. n t at a n t a So many people today. Yes. The coming a a n t h e d a t h n d u thank you. t e r e h a n k you. Thank you. q u e s t ก o n three, please. Ah, thank. In the past, in the า a s t in หม e อ a s t i ํา h e past, in t h น past, in the past, in the past, in the past, ง n the p a s ี in the past, in the past, in the past, in the past, in the past, in the past, in the past, อ่าเป็นชิ้นอย่างเช่นค่ะแขนหัวก็แยกสุดก็เป็นชิ้นๆหนูก็จะผลิตออกมาจากพิจนาตรงนั้นแต่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงนะคะแล้วแต่เดี๋ยวนี้ยด้วยความที่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ภาวนาเหมือนสมัยก่อนกิก็คือมันก็ไม่กลับไปเห็นอะไรแบบนั้นอีกหนก็แต่สมัยหน้าปัจจุบันเนี่ยหรือก็คือประคองประคองตัวเองเพออกมาทํางาน ก็จะกลับมาแค่ภาวนาแค่ให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเฉยๆค่ะแต่บางทีถ้าจิตสงบนิ่งจริงๆก็จะเห็นแค่คือกายเนี่ยจะเป็นแค่ก้อนแล้วแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ออกมาจากก้อนเองนะคะอาจารแล้วหนูก็ก็คือถ้าหนูเคยฟังธรรมะขออาจารย์บอกว่าตอนภาวนาถ้าจิตนิ่งสงบก็ให้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะอิ่มแล้วออกมาพิจารณา เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็พิจารณาได้ก็ น, นึกถึงภาพที่เราเคยเห็นในนิมิตก่อนก็ถือว่าเป็นปัญญาแล้วก็นึกถึงภาพที่เราเห็นแขนขาดหัวขาดอะไรขาดนี้คือเราต้องนึกมันอยู่บ่อยๆมันจะได้ไม่หลงลืมแล้วเราต้องเอาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราว่ราร่างกายของเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพของร่างกายเวลาที่มัน จะต้องเป็นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเรารู้มันจะต้องเป็นเวลามันเป็นเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่การพิจารณาปัญญาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราเห็นในนิมิตนั้นเทนี้อันนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจุดประกายขึ้นมาที่เราต้องรักษานิมิตนั้นให้มันอยู่กับใจเราตลอดเวลามันถึงจะใช้ประโยชน์ได้เพราะมันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายมันยังไม่ได้เกิดตอนที่เราเห็นนิมิตนั้น แต่ต่อไปมันจะต้องเกิดอาจจะเกิดกับคนที่เรารักก็ได้เกิดกับตัวเราเองก็ได้ถ้าเกิดถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าเสียใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายของวนทุกคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะตายในลักษณะหนอยมันก็เหมือนกันตายด้วยแขนขาดทอขาดตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายด้วยอะไรมันก็ตายเหมือนกัน อนี่คือปัญญาปัญญาต้องเดินตลอดเวลาในขณะที่ออกมาจากสมาธิแล้วแต่ตอนเนี้ยเราไปไหนมาไหนเห็นใครก็ต้องมองเขาต้องตายต้องตายต้องตายเห็นคนนั่นก็ต้องตายเห็นคนนี้ก็ต้องตายเห็นเราก็ต้องตายเราต่อไปเรื่องของความตายก็จะเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเวลาเกิดมันก็ว่าเออมันก็ธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ปวดได้ครือ่าห้ามไม่ให้มันตายได้หรือปลก็ไม่ไม่ห้ามก็ไม่ห้ามมันก็แก่ไม่ห้ามมันก็แก่ถ้าห้าห้ามก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะจะไม่อยากให้มันแก่พอเกิดความไม่อยากแก่มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากหรือไม่อยากนี่มันเป็น เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเราต้องกําจัดตัวอยากไม่อยากนี่ออกไปจากใจให้มันอยู่กับความจริงร่างกายตอนนี้เป็นยังไงก็อยู่กับมันไปตอนนี้มันไม่แก่ก็อยู่ถ้าตอนนี้ไม่แก่อยากอยากจะแก่มันก็เป็นทุกข์อีกอย่างในตอนเป็นเด็กอยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะโตเร็วๆนี้มันก็เป็นทุกข์อีกอย่างอยู่กับความจริงตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงก็อยู่กับมันไปมันเป็นเด็กก็อยู่กับมันไปมันเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่กับมันไปมันเป็นคนแก่ก็อยู่กับมันไป เวลามันเจ็บ่ายด้วยป่วยก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ดีต้องเอาอย่างนี้เพราะอาจารย์ผ้าทรายหมายถึงว่าบางทีถ้าหนูเดินทางไปทำ ง, งานอย่างเนี้ยหนูก็จะใช้วิธีดูลมหายใจแล้วก็เข้ า, เ ข, าเข้าสมาธิเองเลย ป, ปกติถ้าสมมติว่านั่งเฉยๆ<อ>ก็จะเข้าสมาธิเองแต่ถ้าเรา ออจากสมาธิแล้วอารมณ์ยังยังไม่ฟูงก็ให้พิจารณาไปตลอดด้วยกกันไใช่ไหมคะถ้าพิจารณาทางปัญญาได้ก็พิจารณาไปถ้ามันเริ่มพิจารณาไปทางกิเลสก็ต้องหยเช่นเป็นวิตกกังวลเรื่องจแก่จะเจ็บจะตายก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาแล้วถ้าเป็นปัญญามันจะไม่วิตกมันจะไม่ห่วงใยมันจะมันจะรู้เฉยเเออมันจะเออใช่จะสับแต่ว่าจะจะซึมทราบความนับความจริงได้ แต่ถ้าพอเริ ม, มีกิเลสออกมามันจะเริ่มหดหูใจไม่สบายใจนี่แสดงว่ามันจิตอ่าจิตมันเริ่มหายจากความสงบละกิเลสเริ่มออกมารบกวนละอันนั้นก็ควรจะหยุดพิจารณากลับก็ไปทําสมาธิทําใจให้สงบก่อนปราบปัดกําลังของกิเลสก่อนตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจไม่สบายใจนี้คนที่ไม่มีสมาธิเวลาคิดถึงความแก่เจ็บตายนี่จะไม่สบายใจจะหดหู่ใจพิจารณาไม่ได้ เพราะกิเลสนะ่ยกิเลสมันไม่อยากมันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเวลาจิตสงบแล้วออกมาใหม่ๆนี่กิเลสไม่มีกําลังเราดูความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่รู้สึกหดหู่ใจมันจะยอมรับยอมรับเออใช่นะใช่นะต่อไปแล้วต้องแก่นะต่อไปมันต้องเจ็บนะต่อไปมันต้องตายนะเนี่ยถ้าถ้ารับได้พิจารณาได้ก็รับไปพิจารณาไปถ้ามันเริ่มเกิดอาการหดหู่ไม่อยากจะพิจารณาก็อย่าไปฝืนละ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแสลงยา <c oughs> กินยามากเกินไปแพ้ยาได้เดีย๋ยอาจจะดีไม่ดีเงยคิดถึงการตายบ่อยๆแล้เดี๋ยไม่ดีฆ่าตัวตายก็เลยก็หมดเมือง <c oughs> อันนี้ก็ก็ผิดอีกแล้วอยากตายก็ผิดอยากอยู่ก็ผิดต้องอยู่ก็ได้ตายก็ได้เ อ, อ หนูจะคงจะไม่ได้พิจารณาแบบนี้แต่สิ่งที่หนูเห็นตอนที่ณปัจจุบันคนจะการภาวนาถึงจะ ไ, ไม่ได้ภาวนาแบบเป็นเท่าเรียกเป็นควปมตอค่ะเป็นปปกเแบบมานั่งสมาธิแต่หนูก็จะพยายามพู้ตัวแต่สิ่งที่เห็นคือพออารมณ์เกิดแล้วเราจะเห็นเร็วขึ้นถ้ามีสติไงถ้ามีสติถ้าเราจะเรียสตินี่เราจะเข้าไปข้างในถ้าเราไม่มีสติมันจะออกไปดูข้างนอกแทน แทนที่จะดูอารมณ์ตามมันไปดูรูปเสียงกลิ่นรสแทนมันก็จะไม่ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภาในใจถ้าเรามีสติสติจะดึงใจให้กลับเข้ามาดูใจมากกว่าดูข้างนอกพอเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็จะรู้ทันแต่มันจะทําลายอารมณ์ให้มันหายไปได้ไม่ได้นี้ต้องใช้ปัญญาเพราะอารมณ์มันเกิดจากความหลงความอยากยังไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มัน เป็นทุกข์ไม่ไม่ใช่เป็นสุขมีช่วงที่ว่าอันนี้สุขต้องไหมใช่ไหมคะหนูสังเกตจากการสังเกตถ้าช่วงไหนหนูได้มีเวลาภาวนาคือไม่เหนื่อยจากการงานมากเกินไปอารมณ์เกิดขึ้นนล้วพอเรารู้ทันจัเกเดียวดับแต่พอว่าเราเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันจะมันไม่สบายตรงแบบไหนในะคะมันจะหนั้นใช่เพราะเราไม่ไปดูอารมณ์เนเราไปดูเรื่องอื่นแทนแล้วเกิดความอยากให้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หาย เพอยิ่งเกิดอารมณ์มันก็ยิ่งเกิดความความอารมณ์ไม่ดีเพิ่มขึ้นความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นอันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเหตุที่ใจกลับมาดูที่ใจก็กลับมาดูที่ใจมาดูทีเ่เราเสมาธิอีกรอบใช่เราต้องหยุดมันมหยุดตัวที่ปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเรา้องใช้พุทโธหรือใช้ดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะหยุดการปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรา เ่ยเกิดจากสัญญาอารมณ์เก่าที่เคยเคยไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันสังอยู่ในใจแล้ววันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาได้ mm hmm. แต่ถ้าเรามีสติเรารู้ปั้มมันก็จะดับไปถ้าเราไม่มีสติมันจะเริ่มปฏิจเรยียอยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากแทนที่มันจะหายมันกลับนี่เกิดความความเครียดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ mm ่ง hmm. ให้กลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจทําใจประกอบให้มีสติแล้วก็ดูใจพอดูพอมีสติดูใจพออารมณ์เกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะดับปุ๊บทันทีพ่าเราไม่ไปสร้างความอยากให้มันหายเราไม่ต้องไปอยากให้มันหายมันหายเองอยู่แล้วแต่พอเราเกิดความอยากก็เหมือนกับไปสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีใหม่ขึ้นมาอีกชั้นยืด อ, อีกเรือ่องหนึ่งค่ะรื่อกของควไม่ตบายใจค่ะเพระอาจารย์ค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิบางทีเนี่ย มันร้อนส่วนที่มันนอนไม่ไหวทํามันร้อนร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะมันมเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าเวลาเรานั่งนี่มันจะเหงื่อแตกเพราะว่ามันร่างกายเวลาเรานั่งในท่าคัดสมาะนี่มันรู้สึกว่ามันไม่มีที่ระบายความร้อนออกไปมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายมันก็เลยทาให้ร่างกายร้อนแต่มันก็ดีอย่างในช่วงหน้าหนาวนี้เวลาหนาวหนาวนอนไม่หลับเนี่ยผมว่าผมกีบชั้นก็ไม่หลับนุกขึ้นมานั่ง จ้างก็เดี๋ยวอุ่นสบายแล้วก็หลับในในท่านั่งสบายกว่ายันี้ควรจะออกมีตกติหนูออกค่ะแต่ว่าเราควรจะทนจนถึงบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นนะคะบางทีก็อิน่นจนอิ่นสบายจนแบบจนสมาธิเหมือนอาจารยี่อ่ารยา์บอกว่าเวลาชาร์จแบบโทรศัพท์อะคะ่ะพอแบบเต็มปุ๊บเราก็จะรู้เวลาออกเองก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางวันเนี่ยคะ่ะมันก็จะร้อนจน จนทนไม่ไหวนะคะบางทีก็ผ่านไปได้เขาผ่านไปได้ก็พอเลยจุดจุดที่มันจะเหมือนระเบิดมันก็จะเย็นสงบเย็นหลังาจากนั้นใา<ช>งทีก็ทนไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้มันสงบกว่ากว่าเดิมกว่าระดับที่เรามีอยู่แล้วก็ต้องผ่านในตัวความร้อนตัวความเจ็บนี้ไปให้ได้<ม>ก็ไม่อยากไปสนใจมันร้อนก็เรื่องของร่างกายไปคิดว่าใจขอให้ใจเย็นดีกว่าร<ม>่างกายร้อนก็ช่างหมันมล้วก็พุทโทต่อไปดูลมต่อไป อย่าไปสนใจกับความเก็บความร้อนของร่างกายแล้วถ้าผ่านไปได้แล้วจิตมันก็จะเย็นลงจะสงบนึกกว่าเดิมถ้าไม่ไงั้นเราก็จะติดอยู่ในระดับนั้นพอถึงระดับนี้มันก็จะมันก็ชาดแบบได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์พอถึงจุดนั้นมันก็หยุดชาดละพอมันร้อนเรากลัวเครื่องร้อนแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะเสียเราก็เลยถอยออกมาแต่จริงๆมันร้อนน้นไม่เสียหรอกถ้าเราตบอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันก็จะ ลงไปในระดับ 90, 100เ mm นยได้ <S <S <อ S 1> เวลามีทุกขเวทานาถ้าเราลุกเราก็จะไปไม่ถึงจุดจุดเต็มที่ของความสงบแต่ถ้าเราผ่านจุดของความเจ็บได้มันจะลงเร็ว ก, กว่าคค่ะลงเยแต่ <ขา S 1> ว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ภาวนาเหมือนสมัยก่อนกำลังไม่พอสติไม่มีกำลัง ก็ต้องมาพยายามเจริญสติบ่อยๆพยายามดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปอยู่กับพุทโธก็ท่องพุทโธไปอยู่กับร่างกายก็ดูการกระทําของร่างกายไปแล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิสติมันจะมีกําลังดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ผูกใจไว้ให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธ แล้วเวลาเกิดความทุกข์ความเจ็บขึ้นมาเราก็ใช้สตินี้ดันผ่านไปได้ <milj. S 2> พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บนั้นมันก็จะหายไปไม่ว่ามันจะเบาลงมันจะไม่รู้สึกเจ็บมากแล้วความเจ็บอีกส่วนหนึ่งไม่เกิดจากความอยากมันอยู่ที่ใจแล้วถ้าเราควบคุมความอยากด้วยสติได้ด้วยพุโทโธได้มันความอยากนั้นก็จะหายไปพอหายไปความเจ็บมันก็จะหายไปอีกส่วนใหญ่จะหายไป แล้วแต่ความเจ็บของร่างกายที่ไม่นุนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเย็นสบายความเจ็บยังอาจจะมีอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้ถ้าไม่สงบนนี่มันทนไม่ได้มันอยากจะออกอยากจะออกอยากจะลุกความอยากนี่มันเลยทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาในใจที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่เครียดไม่ได้ทนไม่ได้กับความเครียดของใจ เราต้องใช้สติหยุดมันก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อนถ้าใช้ถ้าถ้าใช้ถ้ามีสติมีสมาธิแล้ขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาแยกได้ว่าความเจ็บของร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งควาร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใจก็เป็นผู้รู้เป็นคนละสวนกันใจก็ให้รู้ไปกับความจริงของร่างกายความจริงของเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปร่างกายเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไป ใจก็สักแต่ว่ารู้ไปถ้าอย่างนี้ต่อไปมันไม่ต้องใช้สติมันจะอยู่กับความเป็นไปของร่างกายของเวทนาได้ค่ะสมัยก่อนตอนภาวนามันเห็นค่ะอาจารย์ว่าการีไม่ใช่ของเรามันหลุดเหมือนพอมันเสร็จแล้วมันแตกปุ๊บมันหลุดมันไม่จัดกายค่ะสักแต่ว่ามันก็คือกายก็คืความเจ็บก็รากายกับเจ็บก็ยังแยกกันอยู่คือมันจะเห็นแต่นี้อาจะเป็นเพราะว่าอ่าโยมโยมอยาก ให้มันรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมันก็เลยไม่อยอมสงบส่วนนี้ก็เวลาเวลาปฏิบัติแล้วอย่าไปใช้ความอยากเป็นตัวดําเนินการ<ม>ต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นตัวดําเนินการถึงจะได้ผลถ้าถ้าใช้ความอยากมันก็จะเกิดความเครียดเกิดควา ม, มทุกข์ขึ้นมามันก็จะไม่ได้ผลเดีย๋ยวนี้หนูก็เลยแค่ประคองแค่ดั้งแค่แับแค่รู้ลมหายใจแล้วถ้าในเวลาหนูก็จะเข้าสมาธิทุกเวลาที่นึกออกอะคะ่ะเมืม่อคืน ถ้านั่งถ้ามีเวลาว่างสักครึงชั่วโมงก็จะเข้าสมาธิถ้านั่งถ้ารู้ตัวก็จะดูลมหายใจก็คือแค่ประคองไปแต่ก็ไม่ได้ภาวนาเนเรื่องยาวเหมือนกันมันต้องเอาแบบให้มันยาวไปเลยเจ็บแล้วก็ต้องให้นั่งให้มันเจ็บแล้วก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาแก้มันไปมันถึงยาคืบหน้าไม่งั้นมันก็จะอยู่แค่ที่ที่จุดเดิมที่เราได้มาถ้าจะก้าวหน้าสักไปมันจะต้องผานต้องมีข้อสอบ ข้อเสาของเราก็คือความเจ็บของร่างกายต้องปล่อยมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปเราก็พาวนาของเราต่อไปไม่ใช่ปัญญาแยกแยะมันไปว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ร่างกายมันจะร้อนก็เราไม่ต้อไปห้ามมันไม่ได้ร่างกายร่างกายมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ ร่างกายมันเป็นดินจะไปให้มันเป็นเราได้ยังไงมันเป็นกระดูกมันจะให้เป็นเราได้ยังไงกระดูกมันก็เป็นกระดูกก็ปล่อยให้มันเป็นกระดูกไปต้องพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราพิจาราไม่เที่ยงมันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เหนียวไม่สุขไม่ทุกข์พลันไปสลับกันมาใจเราให้รู้เฉยๆแล้วจะไม่มีปัญหาเลย มีปัญหาของใจคืออยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเหมือนเดิมสุขก็อยากจะให้มันสุขเหมือนเดิมพอมันทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปพอเกิดความอยากใจก็เลยเครียดขึ้นนอาใจเลยทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ของใจนี่ร้ายกว่าความทุกข์ของร่างกายอยาโยมทานนู้นมีอะไรหรือเปล่าที่มานั่งมีมีอะไรหรือเปล่า เออความกลัวอ๋ อ, อื่องความกลัวคือพอมาฟังคิดถึงพูดของตาตอนนี้ลองตากลัวเสือเพราะเสือที่เราเสืออนูีตรงไหนมันก็หวงตาก็เข้าไปกลัวต้องไานเยนั้นผมกลัวผีมาก เราก็เลยก็เลยคิดว่าผีก็เลยเอาไฟฉายส่องดูมันก็ไม่มีผีพออยู่ถึงเช้าคืนผีมันยังไม่ออกมาปีหนึ่งปีสองปีสามก็แล้วสรุปทวงาปีไม่มีแล้วก็เลยสว่างแล้วก็ปรผ่านคืนนั้นไม่ได้ก็ทิ้งตัวเราไปคิดหลอกตัวเราเองผีจริงไม่หลอกมีแต่ผีปลอมที่หลอกคอยรอเมื่อไหร่ผีจะมาแต่ว่าไม่มีผีมันไม่มาก็เลยไม่มี ก็เลยรู้ว่ามันมีไรู้ว่ามันหลอกตัวเองนะเราต้องไปอยู่ที่ยเขียวมีผีมันจะได้พิสูจน์ชัดๆว่ามันมีหรือไม่มีวันนี้นไม่มีหลใจเราไปหลอกตัวเราเองคิดไเองพออยู่ที่ไหนเปลี่ยกๆเงียบๆก็คิดถึงผีก่อนเลยไม่คิดถึงอะไรละ ก, ก่อนมาก็คิดนะครับถ้ามีก็ดีเหมือนกันจะได้จะได้อยอมใจเลยผู้ปฏิบัติต้องต้องกล้าหาญถึงจะจะจะเจอความจริง ถึงจะรู้ว่าเป็นเป็นเรื่องของใจหลอกเราทั้งนั้นเรื่องโมหะอวิชชาทั้งนั้นเรื่องตัวเราของเราก็ไม่มีปถนงถึนแม้ว่าจะไม่สงบแต่ก็ได้ประโยชน์มากเลยมาเอแล้วมาบ่อยๆแล้วมันจะได้พัฒนากา ร, รอย่างนี้นักภาวนาส่วนใหญ่ท่านจะช่องหาที่เงียบที่สงบที่น่ากลัวเพราะมันจะได้มีโจทย์ให้ทําการบ้านมีมีโจทย์ให้ทําข้อสอบ มีข้อสอบให้ทําถ้าผ่านข้อสอบได้ต่อไปก็สบายต่อไปจะไม่กลัวตายไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผีตัวสําคัญก็นี่แหละร่างกายนี่ที่ต้องเป็นผีต่อไปไม่ที่ว่าผีมา่างไหนมันถ้ามัน ม, มาจากร่างกายนี้ที่ป่าช้ามันมีอะไรก็มีแต่ร่างกายที่ไม่หายใจแล้วทั้งนั้นจะมาจากที่ไหน ก็ตังแบบตืนนั้นเวลาเดินก็ไปนืดๆเดินเดินก็ไปดื้อๆไม่มึมาหายเลยอยู่กับผีจะรอยี่สี่ชั่วโมงไม่กลัวเนี่ยอ๋นี่ก็ร่างกายนี่มันไม่ใช่ผีเลยเนี่ยเวลาไม่หายใจแล้วมันทําไมเขาไม่เก็บไว้ที่บ้านนะถ้ามันไม่ใช่ผีอ่ะนีพอตายปั๊บนี่ยกให้สับเปรเลยร์เลยไม่เอาละตายเป็นผีไปแล้วละระหว่างการระหว่างเป็นผีคนมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ลมหายใจนี่เองไม่ใช่เนี่ยพอเราไม่มีลมหายใจปั๊บกลายเป็นผีไปแล้ ตอนนี้มีเราหายใจก็ยังไม่เป็นผีมันต่างกันหนผมก็ยังเหมือนเดิมขนก็ยังเหมือนเดิมเล็บ ก, ก็ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วไปกลัวอะไรใจหลอกเราเองเราไม่มีใช่ไม่มีสติไม่มีปัญญาชิดหาเหตุหาผลพอเกิดความกลัวขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้ละอยากจะหนีอย่างเดียว ก็ไม่หายครับก็มีเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านหมอท่านก็กลัวผีอาจารย์ก็เลยสอนให้ไปนั่งอยู่ในป่าชาสมัยก่อนชาวบ้านก็จะเผาศพในป่าชา <พอ S 1> แล้วเอท่านก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆศพที่เขาเผาไปแล้วท่านก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปตอนคืนก็เกิดเสียงดังก๊อบก๊อบก๊๊อที่บผีมาแล้ว <laughs> แต่เนือ่องจากว่าท่านบอกว่าไม่ได้ต้องมาพิสูจน์ให้รู้ว่า ผีมันหน้าตาเป็นยังไงท่านก็เลยบังคับใจสุดๆเดินเข้าไปหาเสียงกันเลยเดินเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟเพราเปอ้าวหมามันแทะกระดูกยนีไม่มีหรอกไม่มีใครจับผีมาพิสูจน์มามาม า, มาโชว์กันได้สักค น, น <c oughs> ผีจริงๆก็คือใจของเราเนี่ยที่กำลัง สถิตอยู่ในร่างกายเนี่ยหรือกําลังใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปใจของเราเนี่ก็ต้องออกจากร่างนี้ไปละทีระหว่างออกจากร่างเนี้บางทีก็อาจจะมาเข้ามาในขันเราได้เวลาเรานอนหลับนี่ใจใจเราไม่หลับไงหลับแต่ร่างกายใจเราเปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดประตูรับละ เ, เวลาเรานอนหลับแล้วใจของผู้ที่ก็ตายไปแล้วเขาก็จะเข้ามาได้เหมือนกับ ราเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้เงี้ยเปิดขึ้นไว้อ่าเปิดขึ้นรับไว้แล้วพอเข้าจูนเข้ากับเครื่องเราได้เขาก็จะเข้าหาเบอร์เราเจอเขาก็จะเข้ามาได้ตอนนี้ก็กาลังจะว่าคิดว่าจะเข้าไปหาตุกแกอีกเมื่อก่อนเคยมีปัญหาตุกแกตัว <c oughs> มันใหญ่ก็มันต้องสี่ร้อย้าตัวตุ๊กตัวา้าไม่มก็มีไม่ีครับมีที่หน้าวัดไนางวญญาครับอะไรออกไปประมาณสักสองโลนี่ยังมีป่าช้าของชาวจีนะ เคยเคยไปนั่งป่าช้าอยู่ตอนซึ่งใหม่ๆก็กลัวหนักเหมือนกันครับแต่พอคุ้นเคยไปแล้วก็ธรรมดาอำอะไาไปหลอกป่าช้าดูสิขออนุญาตหลวงพ่อขอไม่ได้ต้องไปขอของสุสานจีนประมาณตั้องอยู่หน้าวัดมานั้นสองสองสามโดเนี่ยเอกไปทิ้งไม่ใช่เกจวัดนะเป็นของของของสุสานเขาของของคนจีนเขาโนจินาธรรมสถานยังไงเนี่ยชาวบ้านชาว คนกีนที่อยู่สัตหีบมันก็คงมาซื้อที่ไว้แล้วก็เวลาที่ทห่วงซุ้ยอะไราันที่นั่นงซุ้ยไม่ค่อยน่าวตัดให่สวยก่อาสนุกกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเวนี้หายากลยากเนี้เขาเผาไปหมดแล้วสมัยก่อนเขาไม่ได้เผาก็ไปทิ้งเนกลองกองกองกเป็นเงิติดง้หน้าดูพอสมัยก่อนเวลาจะไปเยี่ยมป่าช้าเขาบอกต้องไปทางทิศเหนือลม ถ้าไปที่ใต้หลวมนี่พอไปเจอกิ่นนี่มันตลบแล้วถ้าจะไปก็ต้องไปไปเยี่ยมตอนกลางวันก่อนไปไปตรวจดูสถานที่ก่อ น, นอไม่ใช่วิ่งหนีกดูว่ามีอะไรก่อนเ <laughs> นั้นเดี๋ยวพอเข้าไปตอนคืนนี่มันกลายเป็นผีไหมด <c oughs> ต้นงงต้นไม้เนี่มันกลายเป็นผีนหมดเรื่องเรื่องอสุภังนี้ก็ เคยดูรูปศพรูปอะไรดูในโทรศัพท์นะมันก็ยังไม่ค่อยเไหี่เพราะเมื่อวานล่าสุดเมื่อวานก่อนนะไปเจอที่เขาโดนรถสิบร้อเหยียบแล้วตอนนี้มันเป็นเศษเนื้อกระจาย<ม>แล้วก็ติดกับพื้นนะฮะเป็นเศษเศษเศษเหมือนแบบแล้วก็เออรู้สึกว่าอั น, นันมันจะติดตาเหมื อ, อนจะรู้สึกดีกว่าบางทีดีกว่าดูผ่าดูอะไรการอัลสูภาษนี้คำยิงเป้าหมายอยู่ที่การดับการมาลมมากกว่า ไมเวลาเราเห็นแฟนเราเราต้องเห็นเขาท่าศพของเขาปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยนอนนะนอนใครนอนนต้องให้เห็นว่าเรากําลังนอนกับผีถ้ารู้ว่ากําลังนอนกับผีมันก็จะไม่อยากจะนอนด้วยเออนกําลังนอนกับทากศพถ้าเกิดเขาไม่หายใจนี่จะนอนเขาใช่ปะทําไมก็ก็ร่างกายเดิมอยู่ไม่ใช่เลยยิ่งจะไม่ได้หายใจทั้งนี้ปัจจุบันนี้ก็นอนทลับหลังไม่ค่อย นั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าดูอัติภาพนี่ต้องการดับการมารมคนที่ปฏิบัติธรรมนี่การมารมมันจะเป็นอุปสรรคมันเป็นท่านี่มันถ้าไม่พิจารณาอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันท่าร้อนอยู่ไม่ได้มันบังพีก็ทําไปกอดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเราแล้วเพื่อเพื่อให้เขาไม่ได้คิดอะไร <laughs> ว่าเราน้องหนาหลังทุกคืน <laughs> แล้วแล้วก็เห็นหน้าภรรยาเป็นศกหรือยังครับ ขอเพียงครัแต่ว่าตัวมันสุขนะถ้าอยากจะดูศกก็ดูอย่างเนี้ยเพื่อดับการมึนลมแต่อีกอย่างหนึงก็ดูว่าอนาคตของเราร่างกายของเราก็ต้องเป็ น, นเนดียวกัออันนี้กระดับความกลัวตายได้ว่ากลัวยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็มีสองสองโจทย์โจทย์หนึ่งก็คือความกลัวตายความรักความสวยความงามของร่างกายไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนสภาพ แต่ในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปอีกอันนึงก็ดูร่างกายของคนอื่นที่เราหลงรักข้างไคร้อยากจะร่วมหลับนอนด้วยเพราะว่าเรากำลังนอนกับศพอยู่นะแต่ยังเป็นศพที่ยังหายใจได้เท่นั้นเองเอาคำสอนของของพ่อไปคิดนะสอนอใจตัวเองที่ว่า เ, เวลาเราอยากแล้วเราไม่ไะทาตามมันเดี๋ยวมันก็ใบ้ๆเข้าก็มันใจอ่อนไปเรื่ อ, ๆ อ, อยๆก็อี่ย แต่มันจะไม่ถึงแม้มันจะหายแต่ถ้ามันไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ยังจะกลับมาได้เราเห็นว่าความอยากมันเป็นทุกข์ตอนนี้ก็บุดีอะไรที่เคยสุดว่ก็ใช้วิธีนี้ยคก็ไม่ไม่สุดแล้วถ้าไม่เห็นโทษของมันเพียงแต่อยุดเฉยๆนี่มันก็ยังกลับมาได้เช่นคนที่มาบวชนี่เขาก็ไม่ได้ดื่มสุลาแต่พอเขากลับไปสึกออกไปพอเขาเจอสุลาเขาก็กลับไปดื่มได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษมันเป็นโทษกับ จ, จิตใจกับร่างกาย มันทําให้เราทุกข์เวลาไม่มีมันเราจะเดือดร้อนเพราะเราติดมันอนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเนิกอย่างนี้เราเราจะไม่กลับไปหามันอีกต้องเห็นโทษของมันเห็นว่ามันทําให้เราทุกข์ทุกข์พราเราไปอยากมันเองไม่ใช่อะไรถ้าเราไม่อยากมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันพ็าบางทีเวลาทํางานก็อดีไม่มีให้จบว่ามีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาเฉยๆนะอ ต้องต้องเวลาทุกครั้งนี่มันอยากจะสวดว่าน้องหวอเหมือนกับเอาความพิษมาใส่ร่างกายแล้วก็เอาเอาความทุกมาให้กับใจเพราะใจจะต้องติดมันเดี๋ยวเกิดกราไม่มีสตดอีกก็ทุกอีกตอนนี้เราไม่ทุกแล้วเราสบายแล้วนี่อย่า ก, กลับไปติดมันใหม่ถ้าติดมันใหม่เดี๋ยวมันไม่มีสตดมันก็จะทุกอีกต้องเห็นอย่างนี้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความ เป็นการติดมันติดสิ่งที่เราอยากแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากมันแล้วเพราะเรารู้ว่ามันทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากแต่ถ้าเราไม่อยากเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีจะกินไม่มีจะสูบก็เลยไม่ได้ไม่ได้สูบอย่างนี้แต่พอเดี๋ยวพอมีให้สูบมันก็อยากจะสูบหมายญาติความความคิดอย่างนี้ก็จะเอาไปใช้กับลูกนะแต่มีปัญหากับแฟนทุกครั้ง ก็เวลาลูกอยากจะกินพวกพิซซ่าพวกเคเอฟซีฮะผมก็บอกว่าเนี่ยเวลาไปให้มันกินเรื่อยๆมันไม่ใช่มันหายากเดี๋ยวมันก็อยากกดีๆนะเอแต่แทนก็อยากจะรักลูกอยากท้อการใจอยากก็ก็จริงอย่างที่ผมพูดนะก็พอพาไปกินครั้งหนึ่งทั้งใจเดี๋ยววันนี้มันก็ร้องอยากกินเรื่อยๆว่าแต่ถ้าไม่พาไปกินเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินข้างทางไก่ข้างทางเอย คือเขากินอะไรแล้วก็จะติดอย่างนั้นยังให้เขากินของถูกๆดีกว่าจะได้ติดของถูกๆเหมือนน้าอารมณอ่ะผมก็เคยพูดแล้วว่าอยากจะให้กินก็ได้แต่ให้กินแดีวตีหลังก็ติดล้วซ่าๆมันเหมวานแล้วขอไอ้ทีนี้ก็อยากกินเรื่อยเวลาเห็นก็ขอเรื่อยพอไม่ได้กินก็ลองรองแง่นะบางทีมองเด็กดูก็เห็นทําเห็นว่าเราก็เหมือนเด็กนะอ อาจารย์ข้อยากเรียนถามว่าอดีพูดกัในแล้วก็เอ่อความโลภความโกรธความหลงเป็นเราให้ราให้ให้ทำลายตัวความโลภความโกรธความหลงนี้แต่โยมยังไม่เห็นว่ามันเป็นเราไม่ได้เป็นเราตามคพูดมันดมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่รม่ไม่ไ่ไมม่ไม่ไมม่ไมม่ไมม่นม่ไม่ไมม่ไไม่ไไม่ไม่เมไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไม่ คืออารมณ์นะคะอารมณ์ต่างๆมันเป็นเราควาไม่เป็นเราอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ไม่มีใครเขาว่าเป็นเราไปศึกษาธรรมะหม่ไปศึกษาจะไอไม่มีอะไรเป็นเราสัพเพธรรมานาตาหมดทุกอย่างเป็นอนาตาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเราไปหลงไปว่ามันเป็นเราเองเราต้องมาแก้หลงว่าเป็นของเราหลงว่าความโกรธเป็นของเราอย่างหนาแน่นหลงว่าเราโกรธ คัามจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในใจเราเรามีทางเลือกเราจะทำตามมันก็ได้ไม่ทำตามมันก็ได้ถ้าทำตามมันก็ต้องทำตามมันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ทำตามมันต่อไปมันก็จะไม่มามารบกวนเราไม่มายุ่งกับเราเพราะรู้ว่ามาแล้วเราก็ไม่ทำตามมันพอมันโลภอยากได้อะไรเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็ไม่โลภอยากได้ พรมันรู้ว่าโลภแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีอย่างที่ก็คุยกันเนี่ยความอยากกับความโลภนี่ก็ตัวเดียวกันชื่อชื่อต่างกันชื่ออีกกับชื่อแดงคนเดียวกันมีสองชื่อชื่อเล่นชื่อจริงความโลภ ก, ก็คือความอยากอยากได้นู่นแน่นี่ก็เรียกว่าโลภแล้วถ้าไม่โลภ ก, ก็คือเฉยเฉยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ ไ, ไม่เป็นไรอะไรเนี้่ถึงจะเรียกว่าไม่โลภไม่อยาก พออยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยกวนกระ ว, วายกระสับกระสายอ่ะที่เราถามใครเป็นผู้อยากเราเป็นผู้อยากไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปสนใจหยุดความอยากกันนั้นของใครเป็นผู้มันไม่เกี่ยวกันอ่ะให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เนี่ยให้ดูที่อริยสัจสี่เนี่ยไปไปพิจารณาแบบไม่ไม่ไถูกทางมันก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีวิธีการที่จะ ด, ดับมันได้ มันไม่มีไม่มีใครถ้ามีใครเราไปแล้วไปเอาตัวอตัวใครไปไหมคืม้าเราตอบคำถามสนาเนี้ครับอย่างผมชื่อเล่นชื่อต้อมอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนก็ยยกเรียกว่าตอ้อมมันก็เลยหลงว่าอากายร่างกายเนี่ยคือในตอ้อมใชอไหครับจริงๆมันไม่ใช่มีในต้อมหรอกมันเป็นแค่ตัวที่ถูกเรียกก็เป็นป้ายติดไว้ที่ตรงหน้าอกเ<ช>วลาเราเวลาเราไปประชุมที่ไหนเขาไม่รู้จักชื่อเราเพราะเราก็ลองติดป้ายไว้ครับแล้วยะรู้มันไม่เพ่งแต่เป็นชื่อนั่นเองแต่ตัวร่างกายนี่เหมือนกันทุกคน มองไปเลยร่างเจอร่างกายกันแค่สามสิบสองเหมือนกันหมดผมขนเลือดฟันหนังเน่นกระดูกเหมือนกันหมดแต่ด้วยความคุ้นครับก็ถูกเรียกจนจำกันก็ต้องมาแก้ใหม่ไงต้องแปลความเหดุกันใหม่ต้องมาสอนใหม่ว่าร่างกายนี้มันมีแค่สามสิสองอาการนี้แท่าไหนมันไม่มีตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องไม่มีในกอในขออยู่ในร่างกายนี้ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ ผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ไม่มีวันตายเวลาอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกมันว่าใจผู้รู้ผู้คิดเวลาออกจากร่างกายแล้วก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณเอ<ม><ม>ก็ตัวเดียวกันตัวดวงวิญญาณนี้ถ้ามีกิเลสก็ไปก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ถ้าไม่มีกิเลสอย่างของพระพุทธเจ้าผ้าหลานก็ไปนิพพานเป็นนิพพานไป ปรรมไก็ไม่เป็นธรรมชาติก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมันเพียงแต่ว่าใจไม่มีความอยากแล้วเมื่อไม่มีความอยากก็อยู่เฉยไม่ต้องไปเล่นโอนไปหาร่างกายมาแบบมาทุกข์ไปเปล่าใจไม่ได้กลายเป็นอะไรคำว่าธรรมชาตินั้นเป็นเพียงแต่คําพูดว่าใจนี้ได้ช้ไดรับการชาระเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไปหมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือธรรมล้วนใจเป็นธรรมล้วนใช่ไหม แต่ใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมใจของพโคดเจ้าใจของเราก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมยงแต่ว่าใจของท่านไม่ได้คิดไปในทางกิเลสต่างหากท่านคิดไปในทางธรรมคิดไปนในทางสลายหาความสงบข่เ<อ>ดียวคิดไปตามความจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาเห็นนุ้งเห็นร่างกายเป็นอสุภะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอง ไม่ได้เห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหญิงเป็นชายเห็นว่าทุกอย่างจะต้องเกิดแล้วต้องดับไปก็เลยปล่อยวางทุกอย่างไม่มีความอยากจะได้อะไรเพราะได้มาแล้วจะต้องเสียเอามาทำาไมสมมติค่าคุณร้อยล้านแล้วเหอเดี๋ยวพวกนี้เข้ า, าคืนเนี่ยคุณรับไปทำไมร้อยล้านเดี๋ยวพวกนี้ก็เอามาคืนแล้วคุณอาไปใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปก็ได้ ใช้ไปลามันก็บวชอยดีคุณไม่ใช้เขาก็ามาคืนอย่างดีใช้กูจะังไงดีทั้งที่อย่ามาคืนตอนนี้เอามาให้เราเนี่ยเวลาไปทําทาง น, นี่เราเอาไปคืนนะไม่เก็บเอาไว้ถ้าเราคืนด้วยความยินดีด้วยความสมัครใจเวลาจากว่าไปเรามีความสุขถ้าเราถูกบงังคับเอาคืนนี่เราจะเกิดความทุกข์เพราะเรายังไม่ยอมคืนเนี่ยถ้าถูกบงังคับก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมคืน เวลาพลดท่าจากทรัพย์สมบัติก็จะทุกข์ถ้ า, ามาทำทางเสียก็จะไม่ทุกข์จะามาทำบุญเวลาทำบุญมีความสุขใจใช่มนั้นสิ่งที่ศึกษาก็เห็นแค่ว่าใจที่ไปหลงความโกรธมีอาการน่าโกลัแบบไหนใจที่อยู่ในความสงบมีความสุขปิติยังไงศึกษาให้เหตุทั้งสองอย่างนี้นอย่าชัดเจนก็คือการปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราได้เจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ติดกับเราอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันอยู่ภายในใจเราอันนี้เราไม่มีกันเมื่อเราไม่มีความสุขในใจเราเราต้องไปหาความสุขข้างนอกแทนความสุขข้างนอกเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาได้ก็ดีใจแต่เวลาที่หาไม่ได้ก็เสียใจหล้วเวลาหามาได้แล้วหายไปถูกแย่งไปก็เสียใจ งั้นชู้อย่าไปยุ่กับความสุขภายนอกมายุ่งกับความสุขภายในดีกว่าไม่มีใครแย่งไปได้ไม่หายจากเราไปเพราะเรามันอยู่เป็นเป็นของเราอยู่ในตัวเราอถ้าเรารู้จักวิธีผลิตมันขึ้นมามันก็จะผลิตมันขึ้นมาได้เรื่อยๆอันนี้พาาระอันทร์หมายถึงว่าการที่เราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกทั้งข้างในและข้างนอกคือทั้งในใจเราก็คือฝึกฝึกรักษาจิตใจที่ผ่องแผ้วฝึกจากข้างนอกก็คือละ สิ่งที่มาภาษาที่มากระทบแล้วเราอะคือเหลือสามตัวค่ะและโรคโลกโลโง่ก็สุขที่จละใช่ไหมคะที่จะละสายก <c oughs> ็คืออย่างนี้พูดให้เราเปลี่ยนการ <c oughs> หาความสุขจากข้างนอกมาหาความสุขข้างในที่เราโลภ ก, ก็เพราะว่าเราอยากจะเอาความสุขข้างนอกถึงโลกที่ว่าได้เงินมาแล้วจะมีความสุขที่ว่าได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขแต่ไมนมีความสุขปลอมไงสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาแล้วเวลาเสียไปหมดไปก็เสียใจ หรือมันเปลี่ยนไปก็เสียใจเวลาได้แฟนมาใหม่ๆเขาดีทุกอย่างก็มีความสุขพอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจท่านบอกให้ดูว่ามันเป็นความทุกข์ทุกเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมสู้ความสุขข้างในไม่ได้ความสขีข้างเร็วเนี่ยของแท้ของที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่งสมาธิทีไรสงบทีไรก็เหมือนกันทุกครั้งไปแล้วเป็นของเราไม่มีใครแย่งไปได้ เียของจริงสิ่งที่เราต้องการหากันอยู่ข้างในเราต้องการอะไรเราต้องการสุขใช่ไหมเราต้องการสิ่งที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในแต่ความหลงมันไม่รู้ทําให้เราคิดว่าอยู่ข้างนอกเพราะท่าใดเกิดมาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราหาข้างนอกกันพอเราหาข้างในแล้วกลับกลายเป็นคนบ้าไปเห็น้ะพอเรามาบวชนี่มาอยู่วัดนี <S <S ่ก็หาว่านี่บ้าละ แต่ถ้าไปมีมีมีมมมผัวไปหาเงินหาทองนี้เออไม่บ้าอย่างเงี้ถูกความจริงเนี่ยมันผิดแต่มัถผิดกันหมดเพราะคนมาทําถูกคนทําถูกกระบวการเป็นคนผิดไ ป, ป, ไปอเพราะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาดังนั้นคนที่จะมาทางนี้ได้ต้องเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ทนทนกับการกระทบกระทั่งกับการขาวลหาญินทาว่ากล่าวของคนอื่นได้ใหญ่ามากอ่าทางนี้มาไม่ได้ อย่าง้นพระพุธเจ้าออกบวชไม่ได้ตอนเวลาออกบวชยังไม่บอกใครไงเพราะรู้ว่าบอกเขาว่าเขาจะหาว่าบ้านะ ใ, ชใช่ไหมเป็นพราราชโอรุณแล้วอยู่ยดีๆจะไปขอทานนี่บ้าหรือเปล่าอย่างนี้ธรรมมาที่สอนเกี่ยวกับกฎไจรักและอัญญสสีจึงเกี่ยวข้องติดกันตลอดเวลาเพราะความทุกข์เกิดจากความไม่เที่ยงติดกนันเนพราะเราไม่รู้มันไม่เที่ยงเราไปเที่ยงมันเที่ยง เราเลยไปอยากได้พออยากได้ก็เกิดความวุ่นวายใจทั้งนี้ยามีความสุขใจก็วุ่นวายใจแล้วพอได้มาก็สงบเดี๋ยวเดียวพอเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่หรือสิ่งที่ได้มาหายไปก็ต้องหาใหม่มันก็จะไม่มีวันจบสิ้นหาความสุขจากข้างนอกก็จะเกิดแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหาความสุขข้างในนี้มันจะอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ต้องมีความอยาก เพราะความอยากทาให้มันไม่สงบพอเราหยุดความอยากได้มันก็จะสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยถ้าอยากจะมีความสงบก็ต้องตัดความอยากยงั้นต้องปฏิบัติถึงจะถึงจะเข้าใจอันนี้พูดไปเท่าไหร่มันก็เดี๋ยวก็ลืมเข้าใจก็อะไรในระดับผิวเผินต้องเข้าไปปฏิบัติจริงๆต้องไปเจอความสงบจริงๆเจอความสุขจริงๆ แล้วจะติดใจแนละ้วทีนี้รู้แล้วว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะสร้างขึ้นมาควรที่จะรักษาไว้การที่จะสร้างขึ้นมารักษามาันเราก็ต้องมีเวลามาปฏิบัติถ้าเรายังไปหลงกับการหาความสุขทางข้างนอกอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขข้างในแต่พอคนที่ได้ความสุขข้างในแล้วเขาจะเริ่มตัดการหาความสุขข้างนอกไปแล้ว ถ้ายังตัดไม่ได้ร้อยเปอรตก็ตัดมันไปทีละนิดทีละหน่อยก่อนลดลดเวลาลดปริมาณการหาให้มันน้อยลงเพื่อจะได้มีเวลามาหาความสุขทางในเช่นวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดแทนอย่างนี้อาารย์ค่ะแล้วจิตเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าแต่อันนี้หนูเหมือนไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าแต่จิตหนูเคยสุกสุกจนขนาดว่าอารมณ์ที่เกิดแล้วเรารู้ว่าอารมณ์จะเป็นทุกข์จิตเขาผักความถึกออกไปเลยเอ ก็ถูกต้องเพแต่หนูไม่ไม่ปฏิบัติต่อหนูไม่ปฏิบัติต่อมันก็มันก็มันก็หายไปถ้าปฏิบัติใหม่มันก็กลับมาใหม่แล้วถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หายไปยาาทแล้วตัวยึดกับตัวอุปทานนี่แหละค่ะเราจะสามารถเห็นมันแล้วก็ละมันได้ก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา ยังไม่เห็นมันเลยก็ไม่คิดมันไม่เห็นมันต้องดูร่างกายบ่อยๆนะดูเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บ้วนต้องตายดูบ่อยๆเข้าเจนกันทั่งมันไม่ลืมนี่เราไม่ดูบ่อยเราคิดแป๊บเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็มามันไม่ไว่าร่างกายเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดียู่มันก็ยังยืดอยู่ต้องพิจารณาทั้งวันเลยคือคือท่านหลวงพ่อครับเขคิดว่าไอ้ตัวยืดเนี่ยครับมันเป็นตัวเป็นตอนเห็นได้อรับรู้ได้อะครับเป็นไปได้ครับที่จะไปรู้ไปรับรู้มันตรงตรง ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายที่ถูกยึดแลว่ะใจที่ไปยึดเนี่ยครับไปดูมันทําไมถ้ารู้ว่ามันยึดอะไรก็ให้มันอย่าไปยึดมันแค่นั้นเองมันก็ไม่ยึดอะไรแล้วถ้าเกิดตัวที่ถูกยึดไม่ใช่ขอที่น่ายึดตัวนี้มันก็ไม่ทางานแล้วเอถ้าร่างกายไม่ถ้ดคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะตายคุณก็จะไม่ยึดนี่คุณไม่คิดตลอดเวลาเวลาที่คุณไม่คิดตั้มันก็จะยึดทันทีเพราะมันทํางานโดยที่มันเคยถูกสอนให้มาทํามาอย่างนี้ เราต้องแก้มันต้องนึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าบอกว่าร่างกายนี้ต้องตายต้องตายต้องตายจนกระทั่งมันไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วพอเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเอา่ากูเป็นมะเร็งนะเลยอีกสามเดือนโอ้ไม่เป็นไรหมอหนูรู้มาต้องนานแล้ว <c oughs> หนูเป็นอะมาขอความยินยันแค่นี้รัก <c> ษ <oughs> าได้ก็รักษาไปหมอรักษาไม่ได้หนูก็เตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้ว เนี่ยมันเต็มตัวเต็มใจเมื่อน้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าอยากจะรู้ว่ามันมันพร้อมหรือไม่ก็ลองไปหาที่น่ากลัวอยู่ที่ที่มันมีอาจจะเกิดเกิดภัยกับเราขึ้นมา <Okay. S 1> แต่อย่าไปเจออย่าไปหาภาัยจริงอย่าไปนั่งสีสียากายแดงให้เราดี <laughs> แต่ไปหาทายที่เราที่ว่าอาจจะเกิดแต่มันไม่เกิดเช่นจะอยู่ในป่าคนเดียวนี้นั่อยู่ป่าคนเดียวเนี่ยยังไปหาที่ไหนที่ว่ามีงูมีเสือแล้วไปนั่งสมาธิทำใจเฉยได้หรือเปล่าตอนนั้นโยมสี่โมงลวันนี้สองชั่วโมงก็ขอให้นำมาไปพิจารณาไปปฏิบัตินะเพื่อความสุขความเจริญในทางยิ่งขึ้นไป เดิ น, นแล้วต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเป็นงเนงี้วันธรรมดาก็คุคยกันอย่างนี้เลยนะแต่ฟังเทศก็ต้องเสาอาทิตย์อ่ วันแบบนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็คนมาถวายสังกระทานบางคนก็มาอะไรมันปีตาจันวันวันเสาร์อาทิตย์วันทน้าก็อย่างนี้ไม่แน่นอนวันท้าก็สองโมงถึงสี่โมงแต่ <c oughs> ก็แบบอีกรูปแบบหนึ่งแบบสนธนาธรรม